ช่วงสงกรานที่ผ่านมามีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะที่แพร่หลายไปเรียกว่ากว้างขวางนะคนตูนี้ก็ประมาณเจล้านวิวได้แล้วก็แชร์กันไปเป็นหมื่นๆ น, นะเป็นคลิปสั้นๆ น, นะซึ่งดูแล้วก็ให้ความรู้สึกดีๆมากนะความซาบซึ้งประทับใจนะความปราบปลื้มใจมันเป็นคลิปของ เจ้าของร้านแบตเตอรี่เนี่ยเห็นเด็กผู้หญิงก็ไม่ใช่เป็นเด็กแล้วล่ะนะก็เป็นสาวแล้วล่ะมาหาของเก่าขยะนะก็จากเสื้อผ้าก็ค่อนข้างมอมแร ม, มแล้วยิ่งกว่านั้นคือว่ามีเด็กตัวเล็กนะนะคือลูกเนี่ยอายุคแค่ขวบหรือไม่ถึงสองขวบมาด้วย ถ้าทางก็ยากจนมากก็อาศัยการขายพวกขยะพวกของเก่านี่แหละประทังชีวิตแล้วก็มาที่ร้านแบตเตอรี่เนี่ยเจ้าของแกก็ดีมีน้ำใจนะช่วยเก็บลังเก่าๆนะหรือว่าพวกของเก่าที่มันพอจะขายได้เนี่ยมามอบให้กับนะผู้หญิงคนนี้เป็นประจำเลย แล้วก็นอกอย่างนั้นเนี่ยก็ยังช่วยนะหาหานา้าหาของหาขนมมาให้แก่ผู้เป็นแม่แล้วก็เด็กนะเด็กก็ดีนะได้ขนมได้น้าหวานเนี่ยรับเสร็จแกก็ไหว้นะไหว้ด้วยความสำนึกในบุญคุณเช่นเดียวกับแม่เนี่ยให้ทีไรแกก็ไหว้นะเวลาเห็น แม่ลูกคู่นี้แล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็รู้สึกสงสารนะเพราะว่าคงยากจนมากนะขณะเดียวกันก็ประทับใจที่ว่าเขายากจนแต่ก็ยังรักลูกไม่ทิ้งลูกแล้วก็ยังขนขวายทำมาหากินแม้ว่าอาชีพเก็บขยะนี่มันก็จะไม่ค่อยมีไรายได้มากแล้วก็ดูไม่ดีในสายตาผู้คน แต่ก็ขยันทำมากินในด้านนึงก็สงสารนะแม่ลูกคนนี้ในด้านนึงก็ประทับใจนะเจ้าของร้านแบตเตอรี่นะที่มีความเอื้อเฟือ้อนะขวนควายหาของเก่ามาให้ผู้เป็นแม่เนี่เอาไปขายเอาขนมมาให้เด็กผู้เป็นลูกและตอนหลังก็ได้ทราบว่านะช่วยส่งเสียเรื่องการเรียนด้วยนะ จริงเด็กขนาดนี้ก็ยังคงไม่ต้องเรียนหนังสืออะไรนะแต่ว่าถ้าได้เรียนอนุบาลบ้างก็คงจะช่วยได้ที่จริงมันกถ็ถ้าจบแค่นี้มันก็เป็นเรื่องที่ประทับใจแล้วแต่ปรากว่ามันมีต่อนะก็คือพอวันสงกรานนี่แมลูคณนี้เนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับผู้เป็นสามี ก็แต่งตัวเรียบร้อยเลยนะไม่มอมแแมเหมือนกับตอนที่มาเก็บขยะหาของเก่าส่วนเด็กนี่ก็กโตขึ้นนะประมาณสักสามขวบได้มาทำไมนะมาเพื่อที่จะลดน้ำลดน้ำให้กับเจ้าของร้านเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้ออุปถรัรมภ์มาโดยตลอดทำให้ช่วยเขาดีขึ้นนะเอาวงมาลนยมาวางไว้ที่มือ แล้วก็รดน้ำแล้วก็ถ้าไม่พอนะกราบเท้าด้วยนะเพราะว่ารู้สึกสำนึกในบุญคุณแล้วก็ไม่ได้ทำเฉพาะพ่อแม่น ะ, ะลูกเนี่ยเด็กตัวเล็กๆ เ, เ, เนี่ยพ่อแม่ก็สอนให้ลูกทำไอ้พราหณนี่มันก็ทำให้หลายคนเนี่ยบอกว่าน้ำตาซึมนะเพราะว่าแม่ลูกคุณนี้เนี่ยเขาอ่า มีความกรตันยูรู้คุณนะคนเราเนี่ยรู้สึกดีนะเวลาเห็นคนทําดีเห็นคนช่วยเหลือเก้อเฟือเก้อกูเนี่ยเราจะรู้สึกดีนะประทับใจแต่เวลาเดียวกันเนี่ยเวลาเห็นคนเนี่ยเขามีความสำนึกในบุญคุณนะแล้วเขาก็ะแซงกิริยาการนอบน้อมเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยซาบซึ้งใจเหมือนกันนะ นะการให้การเอื้อเฟื้อมันก็ส่งผลต่อความรู้สึกดีๆในใจเราทำให้เรามีความสุขแต่ขณะเดียวกันนะความกตัญญูมันก็ทำให้เราปากปื้มใจเหมือนกันหลายคนดูแล้วก็มีความสุขนะแล้วก็ปากปื้มใจประทับใจไอ้ความรู้สึกแบบนี้นี่มัน มันมีคุณค่ามีความหมายกว่าความสุขที่เกิดจากความสนุกสนานนะความสุกสนานเนี่ยมันให้ความสุขกับเราก็จริงนะแต่ว่ามันก็ประเดี๋ยวประดาวแล้วก็มันไม่ซึ้งใจมาเท่ากับการที่เห็นคนทําความดีนะมีน้ําใจแล้วก็ยิ่งอันนั้นก็เห็นคนที่ได้รับความดีได้รับความเอื้อเฟื้อเขามีความสํานึกในบุญคุณนะอันนี้มันช่วยทําให้เราเกิดความ ปลาบปื้มใจนะแล้วความรู้สึกนี้เนี่ยมันก็ช่วยบรรเทาความเครียดความทุกข์ในใจของผู้คนได้คนเราเวลามีความเครียดมีความทุกข์เนี่ยบางทีไม่รู้ว่าจ ะ, ะจัดการกับมันยังไงแต่ถ้าเราลองเปิดใจไปรับรู้ความดีที่ผู้อื่นได้กระทําต่อกันนะแม้จะเป็นคนที่เราไม่รู้จัก ไม่ได้เป็นความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือหรือความกตัญญูเนี่ยนะในความดีหรือความสึกดีๆที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมันก็จะช่วยขับไล่ให้ความสึกแย่ๆในใจเราได้เ้าเรียกว่าน้ําดีนี่มันช่วยไล่น้ําเสียได้นะบางทีเราก็ไม่เลยจัดจาการกับ น, น้ําเสียหรืออารมณ์ที่ไม่ดียังไงนะแต่ถ้ า, าลองเปิดใจรับรู้ถึงความดีนะความเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลกับผู้คนเนี่ย มันก็ทาให้เรานะมีความสุขได้ง่ายขึ้นนะความสุขเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เกิดจากอะไรนะเกิดจากการที่เห็นคนทาความดีพอลึกๆเนี่ยนะคนเราทุกคนก็มีความใยดีนะมีคุณธรรมในใจแล้วเราก็สามารถจะเสริมพลังความายดีในใจเราได้ดยการเพียงแต่ว่าเห็นคนก็ทาความดีต่อกันนะและ ลองนึกว่าเนี่ยขนาดแค่เห็นคนก็ทําความดีเรายังมีความรู้สึก ด, ดีนะมีความสุขนะถ้าเราทำเซ้เองเนี่ยนะมันจะมีความสุขมากแค่ไหนเรือดลึกจิตใจคนเราก็โหยหานะโหยหาความดีนะเราอยากจะเห็นความดีของผู้คนใครทําความดีเราก็ปรับปื้มไล่ๆกันนี้มันก็มีอีกคลิปหนึ่งนะอันนี้ก็แปลกหน่อยนะคนเขาล่องเรืออยู่กลางทะเล จูจๆก็เห็นปลาฉลามปลาฉลามนี่ถ้านามาดูลายนะแต่ฉลามตัวนี้เนี่ยพฤติกรรมแปลกๆนะพอเก็สังเกตการอ ก, กว่ามันมีเต่าอยู่ตัวหนึ่งนะอยู่ใกล้ๆปลาฉลามนี่พยายามผลักนะพยายามผลักเต่า ต, ตัวนี้ให้มาที่เรือผลักเต่ามาทำไมนะ ก็สังเกตว่าในเต่าเนี่ยมันที่คอมันเนี่ยนะมันมีอวนติดอยู่รัดคอมันคนในเรือก็เลยนะเอาเต่าขึ้นมาจากทะเลแล้วก็พยายามที่จะตัดเชือกที่มันรัดคอเต่าไว้มันรัดคอแน่นมากนะแค่นี้เขาก็ประทับใจเลยนะผมไอปลาฉลามนี่มันมีความห่วงใยเต่านะ มันก็พยายามช่วยเต่าเนี่ยพยายามที่จะผลักนะให้เต่าเนี่ยมาหาคนเพราะลวกคนนี่จะช่วยได้ก็ใช้เวลา น, านานกว่าจะตัดอวนที่มันรัดคอพอรัดแน่นมากแล้วรัดพอตัดเสร็จก็ทายยาให้มันแล้วก็ปล่อยมันลงทะเลเพราะว่าเ ต, าต่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ยอมไปนะมันก็ว่ายอยู่ใกล้ๆเรือนี่แหละ เรือก็แล่นไปมันก็ไหว้าตามนะมือนก็มันสำเนียบุญคุณคล้ายๆกับปาวานน้อยหรือปาวานแม่เนี่ยที่ที่เคยเล่านะว่าพอมได้การช่วยชีวิตเนี่ยจากคนเนี่ยเพราะว่าอวนมันไปนติดที่คลีบหางมันนี่พอมันปลอดภัยนี่ปาวานแม่นี่ก็ตามตามเรือไปส่งถึงชายฝั่งเอาถึงเกาะเลยเอาถึงฝั่งมีนำซ้ำยังคาบปลากระเบนมาให้ เหมือนกับเป็นการตอบแทนไอ้ภาพพวกนี้เราเห็นแล้วเราก็ซาบซึ้งใจเหมือนกันนะเพราะนั่นแหะเวลาถ้าเรามีความทุกข์มีความมีความเครียดมีความเศร้าเนี่ยลองรับรู้เรื่องพุ่นี้บ้างก็ช่วยทำให้จิตใจเรามีความสุขและมันสุขกว่าการกินการดื่มการเที่ยวนะมากมายเพราะมันอยู่ในใจได้นานและยิ่งถ้าเราลงมือทำเองด้วยนี่มันก็ยิ่งสุขมากขึ้น